أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوانا إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ت الح ر ض ى ولك الحمد إذا ردي ولك الحمد بعد ا ل رضا وأ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أنني ن ا محمد عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ل ي ظ ه ر ه على دين كله ولو كلها الكافرون. ف ق ر ق الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أ ف ل ا ي ن ظ ر و ن إ ل ى ا ل إ ب ل ك ي ف خ ُ ل ق ت و إ ل ى ا ل س م ا ء ك ي ف ر ف ع ت ว إ ِ ل َล ا ل ฉี่ ب บ ا ر ِ كيف นุศบัตว ل َอ الْأَرْضِ كيف สูติพัตฟดักย์َินน์มาอันต์มูดักยَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ ب ِ م ُ س َ ي ْไِ ر ์ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับผมในศรอัลกอร์เชีที่หมายถึงการปกคุมหรือหมายถึงการครอบคุมเราได้พูดคุยกันไปว่าอเเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชื่อของวันกยรมาด้วยกับคณลักษณะของวันเกียมาที่ว่ามันครอบคุมมันปกคุม ทุกสรรพสิ่งโดยที่มีไม่มีแบ่งแยกเลยทั้งมนุษย์สาายิ่งสารสนเทศทั้งจินทั้งสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงสร้างมาก็จะถูกนํากลับมาเพื่อที่จะรับการไต่สวนเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใครจะหลุดหนีไปได้แ้วเช่นเดียวกันครับบริยัที่หมายถึงการครอบคุมเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวงเกียร์นี้ครอบคุมหมดเลยการสอบสวนก็ครอบคุมแบบชัดเจนไม่มีเรื่องหนึ่งเรื่องใดหลุดลอ ด, ด, ด, ดไปได้เช่นเดียวกับ ความสุขหรือความทุกข์ความทรมานในวันเกียรมาในโลกหน้านั้นก็เป็นการทรมานหรือเป็นความสุขที่ว่าครอบคุมในทุกมิติถ้าในไฟนรกก็ถูกทรมานทั้งภายนอกร่างกายทั้งภายในร่างกายทั้งจิตใจทั้งทุกรูปแบบทั้งการมองทั้งกลิ่นทั้งอะไรโดนครอบคุมหมดเลยเช่นเดียวกับความผาสุขในสวรรค์ก็ครอบคุมในทุกมิติทั้งเป็นเรื่องของการได้สวนสวรรค์ที่มี ขนาดมหาสารมองไปที่ไหนก็มีแต่ความสบายอกสบายใจสิ่งที่ได้ยินก็มีแต่สิ่งที่ดีกลิ่นที่ได้ยินก็มีแต่กลิ่นที่หอมหวานรสชาติที่ลิ้มก็มีแต่รสชาติที่อริดอร่อยเช่นเดียวกันครับในสวรรค์ที่บุรุษสุบฮารตาได้อธิบายเอาไว้บุรุษอธิบายเท่าที่สติปัญญาอันต่ําต้อยของเราจะเข้าใจย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ให้ในสวรรค์นั้นเกินจินตนาการของมนุษย์ก็คืออะไรก็ตามที่เราคิด ชื่อเป็นอย่างนั้นชื่อเป็นแบบนี้อันนี้เรียกว่าสวนอันนี้เรียกว่าตาน้ําอันนี้เรียกว่าแก้วน้ําอันนี้เรียกว่าทีนอนอันนี้เรียกว่าหมอนชื่ออาจจะตรงกันแต่ว่าความผาสุกหรือความสะดวกสบายนั้นต่างกันแบบเทียบไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยจริงๆและนี่แหละครับคือเหตุผลที่มาของอยายะต่อมาที่เราจะพูดคุยในวันนี้ว่า أَفَلَا يَنْصُرُونَ إِلَى الْإِبْلِكَ إ ِ พวกเขาไม่ได้พิจารณาดูหรือว่าอูดนั้นถูกสร้างมาอย่างไรที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้นครับภายหลังจากที่ท่านนาบีมูฮัรรมหมัดสลลาะฮฺได้อ่านให้เขาฟังได้บอกให้เขารู้ถึงทิ่งที่พวกเลับเตรียมไว้ในสวรรค์แล้วก็เตรียมไว้ในนรกชาวกุรสจินตนาการไม่ออกความทรมานเนี่ยก็เกินจินตนาการแล้วแล้วยิ่งเป็นความสุขพอเขามาฟังดูครับว่าสวนที่มีขนาดใหญ่โตโมโหรานมีแต่สิ่งที่งดงามเป็นสวนที่อยู่ที่สูง แล้วก็มีที่พำนักอยู่บนเตียงที่สูงที่มองเห็นทุกผ น, นทุกแห่งมีแก้วที่เตรียมไว้พร้อมมีหมอนมีพรมมีความอะไรที่เขาบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยดุลยายังไม่มีเลยจะเตรียมเพียบพร้อมขนาดเนี่ยแม้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีทางที่ใครจะมีโอกาสได้ขนาดนี้ด้วย น, นั้นครับชาวกุเรสครับเขาปฏิเสธอิสลามเขาปฏิเสธสิ่งที่ท่านอบดุลเบีมอัลมัสลัลลอฮฺอิสลัมนํามา เขาก็ถามด้วยความฉ ง, งนว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่มันจะมีการเตรียมขนาดนี้ทั้งหมดนี้ให้คนคนเดียวเลยนี่เป็นชาวสวรรค์เลยนะแล้วคนทุกคนก็จะได้แบบนี้เหมือนกันหมดหรืออาจจะดียิ่งกว่านี้อีกกันนั้นเนอะมันเป็นไปได้ยังไงเขาถามด้วยความฉ ง, งนพวกลัทธุบาฮาตาราก็ได้ถามกลับด้วยกับการตําหนิเราเรียกว่าเป็นส่วนอสุอันอิงการิยะหรือว่าเตาบเป็นคําถามเชิงตําหนิ พอเรบอกเจ้าสงสัยในความยิ่งใหญ่ของค้ากันนะหรือเจ้าสงสัยหรือว่าสวรรค์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ไงมันจะมีหมอนได้จะมีพรมจะมีที่ปูจะมีอะไรขนาดนี้ได้ยังไงเจ้าสงสัยเลยทําไมเจ้าไม่ดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเจ้าล่ะมันไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยหรอสิ่งที่ใกล้ตัวชาวอาหรับพิสูจน์คืออะไรครับอูดโดยเฉพาะชาวกุรชอูดถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของชาวกุริชเพราะอะไรครับพราะอูดใช้ได้แทบจะทุกอย่างเลย ในชีวิตของเขามีอูดตึงตัวอุ่นใจเลยอูดใช้ในการเดินทางได้เดินทางการเสียสายที่ร้อนละอู่นะครับสัตว์อื่นพวกมา้าพวกลาเนี่ยสู้อูดไม่ได้อูดอดทนด้วยเลี้ยงไม่ไมยุ่งยากไม่ลําบากอูดกินมิดไมตรินาผาลมก็ได้กินหนามแหลมก็ได้กินต้นพุทร า, าซึ่งมีหนามแหลมคนกินไม่ได้อูดกินได้สัตว์อื่นกินไม่ได้อูดกินได้มิดไินาผาลมนะครับใครไปเคี้ยวฟันหักครับผม บางคนอาจทำได้แล้วเพราะเให้ฟังแข็งอาจจะพอเคี้ยวได้อาจจะพอกัดได้แต่ถ้าจะกินแบบเป็นเรื่องเป็นราวทาไม่ได้ครับผมแต่นี่พวกร้อยอุดเลี้ยงง่ายด้วยมีความอุดด้วยสมบุกสมบันด้วยใช้เดินทางได้ใช้บรรทุกก็ได้ในกองคาราวานในการค้าขายใช้ในการค้าขายก็ได้หรือถ้าเกิดจะเป็นอาหารนมก็สามารถกินได้ตลอดนมซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าเป็นสุดยอดของอาหารแทนน้ําก็ได้แทนอาหารก็ได้หรือจะกินเนื้อ ก็กินได้เช่นเดียวกันหรือหนังก็ใช้ประโยชน์ได้กระดูกก็ใช้ประโยชน์ได้ทําเป็นเครื่องประดับทําเป็นอะไรเพราะนั้นสลับอาลับเนะี่ยอูดถือว่าเป็นสุดยอดสิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัวสําหรับเขาที่พวกเขาต่างยอมรับพวกเราก็ถามเชิงตําหนิเจ้าสงสัยในความยิ่งใหญ่ของสวรรค์เหรอเจ้าสงสัยในความยิ่งใหญ่ของพวกลัทธิสุบาฮาตราผู้สร้างเหรอทําไมเจ้าไม่ดูสิ่งใกล้ตัวเจ้าไปดูอูสิมันใกล้ตัวเจ้าดูสิว่าพวกลัทธิสร้างมันมาอย่างไร อัฟฟลายังคืรู้ใอิเลอิบิดิกฟักูลกัสต่างกับเวลาที่พอลัส ถ, ถ ส, สถามผู้ศรัทธานะครับถ้าพอลัสสุมาตราสามผู้ศรัทธาอารอไตาถูกไหมครับจะใช้สำนวนเป็นคําถามที่เชิงให้เราได้ฉุกคิดหรือว่าอารัมตารอเป็นสำนวนที่ว่าให้เราได้คิดให้เราได้พิจารณาเพื่อที่ إ ي م านเราจะเพิ่มแต่พอเป็นผู้เผยเสด็ศรัทธาพอลัสใช้เข้าอัฟฟลาไม่ได้ดูเลยนะไม่ได้คิดเลยนะ ไม่ได้ให้ควเลยเหรอคือมิตรีปัญญาเนี่ยเอาไว้กั้นหูอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเอาไว้ใช้แค่จะเชื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อแค่นั้นหรือทาไมของใกล้ตัวที่มันพิสูจน์ชัดเจนทําไมถึงไม่ยอมรับคือแค่ดูอูดอะครับพี่น้องว่าเป็นไปได้หรอือที่ว่าระบบที่ฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรณ์ขนาดนี้มันจะเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันกินมันเม่เซนส์เหรอครับที่คนคนหนึ่งจะเชื่อได้ว่า ธรรมชาติคือสิ่งไม่มีตัวตนท่ามสร้างทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติไม่มีตัวตนถามว่าธรรมชาติมีความคิดไหมธรรมชาติไม่มีความคิดถามว่าธรรมชาติมีระบบมีซิสเต็มมี Data มีข้อมูลมีอะไรไหมไม่มีสักอย่างแล้วความไม่มีอะไรมันสร้างมาเป็นอูดได้หนึ่งตัวพร้อมระบบสืบพันธุ์กินกับสติปัญญาของมนุษย์กระนั้นหรือเอาจริงๆไม่มีใครรับได้ไม่มีใครยอมรับได้ว่า ระบบที่สมบูรณ์ขนาดนี้ระบบเลือดระบบกระดูกระบบเผาผลาญระบบทั้งหมดมันจะฟุกเกิดขึ้นจากการวิทยาการลองถูกลองผิดกี่ล้านปีต่อให้เป็นล้านล้านปีมันก็เป็นไปไม่ได้ครับผมเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่เมคเซนด์ด้วยตัวของมันเองถ้าคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่จริงมันไม่เมคเซนด์มันจบตั้งแต่แรกแล้วมันจบตั้งแต่ที่คิดว่าควาการไม่มีเนะี่ยความไม่มีตัวตนสิ่งที่ไม่มีเนะี่ยมันสามารถสร้างสิ่งที่มีมันผิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว เป็นอรพาอกบอกปฏิเสธพระเจ้าหรือปฏิเสธองค์ร้อหรือปฏิเสธการมีพระเจ้าองค์เดียวหรือดูอูดที่มันใกล้ตัวเจ้าสิซึ่งถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับมีโอกาสนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทับซีดในครั้งเนี้ยซูร่าอัลลอฮยาเนี่ยผมจะใช้เวลาไม่นานผมจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วก็พี่น้องเชื่อคอมเมนต์มานิดนึงนะครับผมคื อ, อปกติถ้าเกิดซูร่ายาวประมาณนี้อาจจะใช้เวลาสักสิบตอนสิบถึงยี่ิบตอนแต่รอบนี้ผมจะลองเอาให้ไม่เกิน5ตอน โดยประมาณนะครับถ้าพี่น้องชอบแบบไหนคอมเมนต์กันมาครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของการสร้างอูดถ้าพี่น้องไปดูไปดู Google ก็ได้พี่น้องมีนักวิชาการเป็นจํานวนไม่น้อยที่ได้อธิบายไว้แต่และเรื่องเนี่ยน่าทึ่งมากๆกเกี่ยวกับอูดไหนจะหนุกอูดที่เป็นที่เก็บไขมันเก็บพลังงานไหนจะความอิดของมันไหนจะความจงรักภักดีของมันไหนจะความขี้อิดฉาของมันอูดเป็นสัตว์ที่แปลกครับมีทั้งด้านน่ารักแล้วก็มีทั้งด้านน่าชังอูดนี่จะติดเจ้าของนะพี่น้อง แล้วก็จะขี้อิจฉาด้วยเรื่องหึงหวงเนี่ยอูดไม่เป็นสองรองสัตว์อื่นๆเลยนะครับผมบางคนเดี๋ยบอกนกมันก็มีหึงอะไรก็มีหึงไม่เหมือนอูดกับพี่น้องแล้วอูดเป็นสัตว์ที่แบบว่าถ้าเชื่องก็เชื่องไปเลยครับถ้าเชื่องก็เชื่องไปเลยจริงๆก็คือเหมือนกับที่ท่านรบีมโนสราสลามเปรียบเทียบการท่องจํากุรานนบีเหมือนกับอูดท่านรบีเปรียบเหมือนอูด ย, ยังไงครับอูดเนี่ยเวลาที่เราปล่อยมันปกติแล้วพี่น้องจะไปล่า ม, มันนะนะจะเอาบางเหียนไปใส่เอาอะไรไปมัดมันเนี่ย มันไม่ยอมง่ายๆหรอกพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องมัดมันได้แล้วนะใส่บางเหียนให้มันได้แล้วนะเชื่อบตรงปลายเนี่ยต่อให้พี่น้องจะไปผูกแค่กอหญ้ามันก็ไม่ไปไหนแล้วพี่น้องมันอยู่แค่ตรงนั้นเลยไม่เหมือนวัวเหมือนควายนะบางทีมันอยากจะพยศมันก็พยศบางทีคอบพังหมดใช่ไหมครับแต่อูดตอนแรกเนี่ยล่ามยากแต่ถ้าล่ามได้ปุ๊บจะล่ามได้ยาวเลยท่านอับดุลมุสลาสซัมก็เปรียบเทียบเหมือนกันทั้งจํากุรานที่ว่ากุรานเนี่ยการจําเนี่ย ใครก็ตามที่บอกว่ายากแล้วการรักษายากกว่าพอพี่น้องจะจำสักหนึ่งหน้าบางทีครึ่งชั่วโมงพี่น้องก็ได้ล้หรือ1ชั่วโมงพี่น้องจำได้หนึ่งหน้าแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บลืมไว้มากแล้วถ้าลืมแล้วพี่น้องมาทวนใหม่ที่พี่น้องเคยท่องได้นะใช้เวลามากกว่าเดิมอีกไอตอนแรกท่องตอนแรกแค่หนึ่งชั่วโมงแต่พอลืมไปแล้วพอมาทวนบางทีมากกว่าเดิมเหมือนคนท่องจำคุรา น, นะครับ ใช้ระเวลาในการท่องจําถ้าใช้เวลายกตัวอย่างนะสามปีในการจาทางเล่มถ้าจะทวนต้องใช้เวลาคูณสองถ้าสามปีท่องหกปีทวนแต่ถ้าทวนจนอยู่ที่แล้วยังไงก็จะไม่ดีนี่คืออัลกุรอานนี่คือกาลามมลล์คำพูดของพวกลอสซูบาโนตระเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับพวกเราบอกชาวกูรชครับอ้าเจ้าว่าทั้งหมดมันมันเป็นไปได้ไงเจ้าสงสัยใช่ไหม ใช้ความคิดสิคิดสิไม่ต้องคิดไกลพวกเราไม่ได้ไปดูปาวานไม่ได้ให้ไปดู ỡ, สัตว์อะไรที่มันอยู่ไกลตัวเขาไม่ได้ไปดูช้างไม่ต้องไปถึงเอธิโอเปียเพราะว่าผมดูอูดก็พอแล้วใกล้ตัวเจ้าที่สุดแล้วยังประโยชน์กับชาวอาหรับมากที่สุดแล้วเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ยังประโยชน์เยอะที่สุดมีประโยชน์มากกว่าไก่มีประโยชน์มากกว่าลามีประโยชน์มากกว่ามา้ามีประโยชน์มากกว่าแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยหมายถึงในภาพรวมนะครับมีประโยชน์สูงสุดแล้ว ม้าเนี่ยในการรบเนี่ยจำเป็นถูกต้องแต่นมม้าไม่มีใครกินเนื้อม้าก็ไม่อร่อยกินเน่ยกินได้แต่ว่าไม่อร่อยพี่น้องพระนพฯเราก็บอกอาเฟล่ายังดูรู้ในอิลลอิบิลิกาฟอรคเลกกตไม่ได้พิจารณาดูหรอกว่าอูดเนถูกสร้างมาอย่างไรมันเป็นอย่างไรมันมีอะไรบ้างองค์ประกอบของมันเป็นอย่างไรถ้านั่งท่ายืนของอูดก็ไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่นนะเวลาจะลุกเวลาจะนั่งไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่น อุปนิสัยเอ่ย อ, อะไรเอ่ยพวกเราบอกดูสิดูใกล้ตัวซึ่งบรรดาซาฮาบะครับเมื่ออายะกรานอายะนี้ถูกประทานมาแต่ละท่านนี้คือออกไปดูอุดกันจริงๆแล้วเราบอกให้ดูเขาก็ออกไปพิจารณาดูไปพิจารณาดูแล้วอีหมานก็เพิ่มขึ้นไปอีกส่วนผู้ไปเสียศรัทธาครับพวกเราบอกขนาดนี้ก็คนมันจะดื้อนะครับถ้าเกิดหัวใจที่เกียจชังยังไงมันก็เกียจชังนะพี่น้องยังไงก็ไม่เห็นศรัทธาครับทั้งที่มีคนที่ไม่รู้ว่า ขออนุญากไม่ต่อแล้วนะครับผมในเรื่องของอูดอย่างที่บอกก็คือให้เป็นงานพี่น้องไปดูต่อแล้วกันวอเอลเซเมอิเคเฟรุฟิแอแล้วเขาไม่ได้ดูหรือว่าท้องฟ้าเนี่ยมันถูกยกไว้ได้อย่างไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับพี่น้องผู้เล่าพูดให้เราได้เตือนผู้เราพูดเตือนสติให้เราได้คิดว่าอะไรครับเราเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาก็คุ้นเคยกับการที่ท้องฟ้าอยู่บนโลกถูกไหมครับแล้วก็คุ้นเคยว่ามองขึ้นไปต้องเห็นฟ้าซึ่งบางทีเราก็มองกวา้างมองข้ามขอมาครับมองข้ามความมหัศาจรรย์ของท้องฟ้าในหลายๆเรื่องไปท้องฟ้าเปรียบเสมือนหลังคาของโลกถูกไหมครับจะในมุมมองไหนก็ตามท้องฟ้าเปรียบเสมือนกับหลังคาของโลกพี่น้องเวลาสร้างอาคารเนี่ยหลังคามันต้องมีเสาใช่ไหมไม่งั้นราคามันก็ตกลงมา อ น, นี้ท้องฟ้าเคยตกมาหาเราไม่ท้องฟ้าไม่ได้ตกมาหาเราพวกเราบอกว่าเจ้าไม่เคยดูท้องฟ้าหรือที่เราสร้างมันโดยที่ไม่มีเสาในการคำ่ำซึ่งพอเรามามีการศึกษาในเรื่องดาราศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้นแล้วถึงจะเริ่มพอเข้าใจเรื่องของจักรวาลซึ่งจากที่เราคิดว่าท้องฟ้ามันก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยแต่พอเราเรียนรู้มากยิ่งขึ้นไป็นไงครับจักรวาลมันใหญ่เกินจินตนาการของเราอีกต่างหา คือไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวจินตนาการได้ว่าท้องฟ้า ใ, ใหญ่ขนาดไหนนี่แสดงถึงความต่ำต้อยของสี่ปัญญาของเราแล้วพี่น้องความคิดของเราน่มันคับแคบมากๆคือแค่จะคิดว่าสิ่งที่พระลอสร้างมันใหญ่แค่ไหนเรายังคิดไม่ออกแล้วเราจะไปคิดเกี่ยวกับพระลอสุบหาณาได้หรอความใหญ่ของพระลอจะขนาดไหนคือจินตนาการแต่พระลอบอกอนี้ครับวลัสซาเมอีใคฟอัดดูิ สังเกตดูสิดูเรื่องใกล้ตัวคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามของโลกจะอยู่ประเทศซาอุดิอาระเบียคุณจะอยู่ประเทศไทยคุณจะอยู่ประเทศอูกันดาจะอยู่ที่ไหนก็ตามอะมีท้องฟ้าให้คนดูทุกที่ใช่ไหมใช่อูดอาที่เหนเฉพาะชาวอาหรับแต่ท้องฟ้าพู่อนเราบอกดูสิว่าเรายกมันขึ้นไปได้อย่างไง ยกไปแล้วก็มีเหมือนกับมีหลอดไฟด้รับพี่น้องหลังคาเวลามีหลังคาแล้วก็มีฝ้าใช่ไหมพี่น้องมีฝ้าก็ต้องมีหลอดไฟจะฝังจะไงก็ต้องมีเปิดมีปิดมีเปลี่ยนหลอดมีอะไรก็ตามแต่แต่ท้องฟ้าของพวกรถสุพรรณตะตอนเช้ามาสว่างตอนมืดก็ตอนค่ามากหมู่ผลระบกดูท้องฟ้าสิถ้าเจ้าสงสัยในความสามารถของพวกรถเจ้าไม่ต้องไปนั่งจินตนาการสิ่งที่เจ้าคิดไม่ออก ไม่ต้องไปคิดถึงสวรรค์ไม่ต้องไปคิดถึงนรกไม่ต้องไปจินตนาการว่ามันจะเป็นยังไงคิดตามที่พวกล้อบอกพวกล้อบอกเขา้าใจไงก็ตามนั้นแต่ถ้าเจ้าอยากรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพวกล้อสุบหาหนะ์นหัวตายลาเจ้าดูสิ่งที่พวกล้อสร้างที่เห็นเห็นเนี่ยชัดเจนกว่าเพราะสวรรค์ น, นรกเกินจินตนาการแล้วไงเกินความสามารถที่สติปัญญาต่ำต้อยของเราจะคิดได้แล้วคิดไม่ออกแล้วความผาสุกแบบสวรรค์จะขนาดไหนคิดไม่ออกพี่น้อง ความทรมานเนื้อโรจากขนาดไหนเราก็คิดไม่ออกโพลล์ก็บอกโอเคนี่คือขอบเขตความสามารถของเจ้างั้นเจ้ามาดูอะไรที่เจ้าเห็นได้ง่ายๆที่พโพลล์ให้เวลาเจ้าศึกษาอูดเยศึกษาได้ตลอดชีวิตเลยท้องฟ้าก็เหมือนกันศึกษาในแง่ของอากาศก็ได้ศึกษาในแง่ของอความความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ายามกลางวันยามกลางคืนหรือว่าก็ได้หรือจะศึกษาเกี่ยวกวับเรื่องดวงดาราต่างๆ มีอะไรให้ศึกษาเยอะแยะเต็มไปหมด mm hmm. ว่ามาอูติตุมินันไอมีลากาีหละเพราะว่าก็บอกไงครับความรู้ที่เจ้าได้รับมันเป็นแค่เศษส่วนเล็กน้อยเหลือเกินแล้วไอ้เล็กน้อยที่ว่าเนี่ยเรียนตลอดชีวิตมันก็ไม่หมดกับพี่น้องเพราะนั้นว่าอ mm ีลอลสมาอิกายฟรุฟิอาดูสิว่าในท้องฟ้าเนี่ยเรายกมันยังไงมุสลิมเราเนี่ยหลายครั้งเราบางทีเราคิดแบบกาฟิเยอะไปหน่อย พอเรามองท้องฟ้าแล้วก็คิดแบบกาเฟสมองในมุมโรแมนติกเอาวันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยเอาวันนี้ท้องฟ้าคื้มจังเลยเอาวันนีเ้เขาจะคิดถึงเราเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาไหมเนาะเอาวันนี้ฝนจะตกไหมเอาวันนี้ตากแดดเอาวันนี้ตากผ้าไว้เอาวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้ น, นี้คือคิดแบบกาเฟสคือเห็นแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคือดูท้องฟ้าแล้วก็คิดได้แต่ดุนยา <c oughs> ท้องฟ้าแบบนี้อะฉันออกไปนอกบ้านไม่ได้ท้องฟ้าอย่างนี้เนี่ยจอดไปนอกบ้านท้องฟ้าอย่างนี้เนี่ยจอดไปวิ่งเล่นท้องฟ้าอย่างนี้เนี่ยจอดไปเที่ยวท้องฟ้าอย่างนี้เนี่ยจะไปใช้หาดนี่คือมองแบบกาเฟสมองการสร้างของผู้วอลล์แล้วก็จบแค่ดุนยานี่คือมองแบบกาเฟสแต่ถ้ามองแบบมุสลิมครับดุนยาก็ต้องได้อาคเร์ลก็ต้องได้โอ้ยาล์ล์ท้องฟ้าอย่างนี้ฉันน่าจะตากแดดขอบคุญผู้วอล์ลที่ให้มีแดดเพื่อให้ฉันได้ตากผ้า ฝนตกอัลฮัมดี라วันนี้ฝนตกนะฉันอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรข้างนอกแต่ฉันก็อาจจะมีโอกาสทํางานอย่างอื่นที่ฉันไม่ได้ทํานี่คือคิดแบบมุสลิมมองสิ่งที่พู้อัลลอฮ์สร้างให้มันได้ประโยชน์ทั้งดุลยากับอาครยะร์คือเราไม่ได้มองแค่ว่าอัลลอฮ์สร้างสิ น, นี้มาแล้วจบไม่ใช่เรามองมันยังประโยชน์อะไรเราบ้างซึ่งถ้าเกิดยิ่งเราไข้ควรมากเท่าไหร่ก็ตามเราจะได้สรุปออกมาเป็นคําคำเดียวรบบานามาคอรับตาฮะดาบะที่ละ สรุปเป็นคําเดียวเลยถ้าเรามีโอกาสศึกษาการสร้างของพวลร้อยอย่างจริงจังอะไรก็ตามพี่น้องหยิบหินมาสักก้อนที่ใครบอกหินก็ น, นี้มันอับปะลักหินมันไม่สวยหินมันแบ่งพี่น้องหยิบมาอะไรก็ได้ถ้าพี่น้องพิจารณาอย่างจริงจังพี่น้องจะได้ข้อสรุปว่าพระองค์ไม่ได้สร้างอะไรมาอย่างไร้ประโยชน์เลยทุกอย่างมีเหตุผลหมดแล้วพระองค์ทําทุกอย่างอย่างเป็นระบบจริงอยู่พวกร้อยจงเป็นมันก็เป็น แต่ถ้าเรายิ่งศึกษาและยิ่งรู้ว่ามันมีระบบอยู่พอเราไมได้ทําอะไรอย่างไรเสรียละถ้าหิวเราก็ต้องกินข้าวเราถึงจะอิ่มถ้าปวดท้องเราก็ต้องไปหาหมอไปดูไปกินไปยาไปอะไรเอาหรือถ้าอยากเข้าห้องน้ำอยากขับถ่ายก็ต้องไปขับถ่ายทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลให้กันและกันทําไมใบไม้ถึงเป็นสีเขียวทําไมใบไม้ที่เป็นสีเหลืองทําไมใบไม้ที่เป็นสีส้ม ทำไมผลไม้นี่ดีเหมือนกันทำไมอันนี้มันออกเปรี้ยวอันนี้มันออกหวานทำไมอันนี้มันเน่าทำไมอาเฟล่าอย่าตรุนี่ยทำไมเขาไม่ได้มองเลยหรือถ้าเขาจะไปเสดพระเจ้าเนี่ยดูรอบตัวสิยังแก้าปฏิเสธพระเจ้าได้อีกขนานั้นหรอพวกเราบอกสองอย่างนะอิละอิบริกลายฟะคุดีกัสว่าอิละสซาเมอิกลายฟะรูฟีอัดูท้องฟ้าสิว่าเรายกมันได้อย่างไรว่าอิละชิบาลีกลายฟะนุสีบัต แล้วไม่ได้ดูหรอกหรือว่าภูเขาเนี่ยมันถูกตรึงไว้ได้อย่างไรภูเขาถูกตรึงในกุรานทเพืรออธิบายว่าภูเขาเนี่ยเป็นส่วนที่เอาไว้ยึดแผ่นดินให้มันแน่นถ้าเราจินตนาการของการสร้างของมนุษย์ถ้าเกิดเราสร้างเป็นพื้นที่แล้วเราจะสร้างอะไรให้มันสูงๆเนี่ยถ้าเราจะยึด ต, ต้องทํำไงครับต้องมีเสาเข็มถูกไหมครับตึกยิ่งสูงเสาเข็มก็ต้องยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆ แล้วต้องมีระบบรากฐานที่แน่นหนาพอพเพราะล้อบอกว่าเจ้าไม่ได้สังเกตหรือว่าภูเขาโพล้อตึงไว้ได้อย่างไรโพล้อก็ไม่ได้ตึงมั่วม่วนะก็ไม่ได้เอามาแค่วางตั้งตึงแล้วก็จบไม่ใช่มีคําอธิบายมากมายที่นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายที่นักธรณีวิทยาพยายามอธิบายบางทฤษีก็บอกว่ามันเป็นดินที่แบบมันมาชนกันมันเกยกันมันขึ้นกันมันอะไรก็ตามแต่ในผู้อ่านโพล้อบอกไว้แล้วว่าภูเขาวพวพล้อให้มาเพื่อเป็นเหมือนกับหมุดที่มันตรึงพื้นแผ่นดินให้มันอยู่ด้วยกันได้ เขาบอกศึกษาสิศึกษาให้ได้อาร์เครอสด้วยไม่ใช่ศึกษาให้จบแค่ดุนยาพี่น้องครับความรู้นะมากมายเราเรียนตั้งแต่เด็กจนโตเราเรียนความรู้มากมายหลายความรู้เราจบแค่ดุนยามันไร้ค่าถ้าเราตายแล้วมันไร้ค่าทันทีแต่ถ้าเราเรียนแล้วเราต่อให้ไปถึงอาร์เครอสได้ทุกความรู้ได้ประโยชน์หมดพี่น้องจะเรียนเลขพี่น้องจะเรียน วิทยาศาสตร์พี่น้องจะเรียนสังคมพี่น้องจะเรียนการงานพื้นฐานอาชีพพี่น้องจะเรียนอะไรก็ตามถ้าเรียนอยู่บนพื้นฐานของมุสลิมเราจะได้ประโยชน์ทั้งดุลยากับอาชเร์แต่ถ้าเกิดเราเรียนเพื่อพื้นฐานของดุญยามันก็จบแค่ดุญยาดุญยาที่เราอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าคนที่เรียนได้เกร ด, ดสูงได้เกรดสีได้คะแนในดีทุกคน จะประสบความสิ้นในชีวิตเหมือนกันมันก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนเรียนได้คะแนนน้อยสุดจะไม่ประสบความสร็จในชีวิตมันก็ไม่ใช่เพราะฉนั้นหากเราทุ่มเพื่อดุนยาอาจได้หรืออาจไม่ได้แต่ถ้าเราทุ่มเพื่อไอเคียร์เราได้แน่นอนครับพี่น้องถ้าเราทุ่มเพื่อไอเคียร์อย่างแท้จริงนะครับผมพวกเราก็บอกดูสิภูเขาเนี่ยมันถูกตรึงไว้ได้อย่างไรเคาอธิบายเยอะแยะมากมายครับซึ่งก็ขอเป็นการบ้านพี่น้องไปต่อยอดสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้าใจแอกุล่าเนี่ให้มากยิ่งขึ้น ดูต่อยอดครับผมฟังแค่ที่ผมพูดไม่มีทางพอครับผมฟังแค่อาจารย์2องคนก็ไม่พอชิ้นเดียวกันพกษมณ์กลก่าวต่อครับว่าอิลารดิไกฟอซุติฮัตแล้วเขาไม่ได้สังเกตดูผืนแผ่นดินหรือว่ามันถูกปูไว้อย่างไรอยยะกุรานอาย่านี้นะครับก็ถูกนําไปถกเถียงกันนะครับในเรื่องประเด็นว่าโลกกลมหรือว่าโลกแบนนะครับบางส่วนที่บอกโลกแบนก็บอกนี่ไงเราบอกว่าโลกแบนซึ่งอยยะกุรานนี้นะครับก็ไม่ได้สนับสนุนทั้งโลกกลมหรือโลกแบนนะ สนุกก็ไปเอาตัวบทอื่นแล้วกันนะครับผมเพราะตัวบทเนี่ยแปลว่าไม่ได้สังเกตว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยถูกปูไว้อย่างไรเวลาเราสร้างบ้านบางทีเราปูกระเบื้องอาบางทีเราปูเป็นซีเมนต์าบางทีเราอาทรายมาถมบางทีเราดินมากบพอเราบอกดูทั้งโลกเลยว่าพกเราปูโลกไว้อย่างไรสวยงามไหมครับสวยงามเป็นธรรมชาติได้ประโยชน์ในทุกมิติได้ประโยชน์ในทุกรูปแบบพื้นดินก็มีประโยชน์ในรูปแบบของมัน จะเป็นพื้นทรายมีประโยชน์ในรูปแบบของทรายคพื่นหินมีประโยชน์ในรูปแบบของหินทั้งหมดเป็นระบบนิเวศในตัวของมันได้พื่อไปบอกสังเกตสิใช้ความคิดให้มากสิมุสลิมยิ่งใช้ความคิดให้มากแล้วยิ่งไม่สามารถจะปฏิเสธการอยู่ของพระเจ้าได้แต่ถ้าผู้ปฏิเสธศรัทธาครับต่อให้ใช้เขาใช้ความคิดแค่ไหนก็ตามมันก็จบแค่นั้นเพราะอะไรครับเพราะเขาทุ่มความคิดของเขาเพื่อดุลยา มันก็จบแค่ดึงยาจริงๆครับผมคล้ายๆพี่น้องนิดนึงนะครับบงอับดุลนะครับสลามมาจากพัทรุงชัดเจนวันกุศสลามตลอวัวบรกกาตันะครับผมแล้วก็คุณอารีนานะครับอามัดบอกชัดเจนจัสกิล่าครัครับคุณชาดอารับชมต่อแล้วก็ชแล้วขอบคุณมากๆครับผมคุณนักนรุกนะครับให้น่ารักอ่ะโทษน่ารักให้กับใจมาขอบคุณมากครับคุณสวยสลามมาก็วันกุศสลามตล้อวัวบารากกาตจากทุ่งคูนะครับคุณซาดาคุณซาดสลามมาก็วันกุศลสลามตลอวบรกกาตัแล้วก็พ พี่สาว ส, สวยนะครับคุณวันีมาชาร์ล่านะครับพี่วันีสละามาวั น, ามามนบบคุณสาะอัลลอฮฺวะบารอกาตุลก็ขอบคุณพี่สาวมากๆนะครับเมื่อกี้ผมไลฟ์ไปเสียงไม่มีนะครับผมไลฟ์ไปประมาณ7นาทีหรือเปล่าครับขอบคุณพี่สาวที่โทรทักมาไม่งั้นก็วันนี้น่าจะไลฟ์จบโดยที่ไม่มีใครฟังรู้เรื่องสักคนนะครับผมก็หลังจากที่เราขอบคุณผู้วอซุบานตราแล้วแล้วก็ขอขอบคุณพี่วันีมาณทีนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมก็จะจากอุลลอฮฺวะครรังครับผมครับพี่น้องครับผู้วอให้สังเกต แล้วเราสังเกต ด, ดูครับอยายะนี้พ่อร้อยเน้นย้ำให้ผู้เผยเสด็จศรัทธามองด้วยคืออยายะอื่นๆเนี่ยพ่เราจะพูดเน้นทางมุสลิมแต่ถ้าอยายะใดก็ตามที่เน้นให้คนกาเฟตผู้ไปเสด็ศรัทธา ม, มาดูด้วยเนี่ยจะเป็นอยายะที่เขาเองก็จะไม่สามารถคานได้การมีอยู่ของสิ่งเหล่าเนี่ยมันมันฟุกได้ขนาดนี้เลยเหรอคือฟุกว่ามีอุดฟุกว่าท้องฟ้าถูกยกขึ้นไป ฟุกว่าภูเขาเนี่ยมันอยู่แบบแน่นหนาเลยแล้วก็ฟุกว่าผืนแผดินเนี่ะมันถูกปูไว้อย่างในระบบ ข, ของมันมันฟุกได้ขนาดนี้เหรอคือคือยอมรับได้จริงๆรใช่ไหมถึงความฟุกที่มันเยอะขนาดเนี่ยหรือแค่อยากจะปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าเฉยเฉยก็เลยไม่ยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าอันนี้กันต้องต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับผมว่าตกลงยังไงกันแน่ตกลงยังไงกันแน่ครับพเพื่อเล่ากล่าวว่าไงครับ ฝ่งเกีอินนาอันตะมุสักกียร์โอมัดเ อ, อ๋ยเจ้าจงพูดให้เขาได้คิดกันพูดให้เขาได้คิดฝรั่กิดทาไม่คิดได้ให้เขาได้ไข่ควรถึงศัตธรรมที่มายัางเขาว่านี่แหละมาจากพระเจ้าผู้สร้างผู้มีเพียงผู้เดียวผู้ทรงเป็นที่พึ่งเพืงหนึ่งเดียวของพวกเขาเท่านั้นอย่างแท้จริงต้องพูดให้ได้คิดฝรั่งิดคือทําให้ได้คิด อินมาอันตมุลกีเพ่อแน่นอนเจ้าเป็นได้เพียงผู้ที่ตักเตือนเท่านั้นอัญญากรานิ้งง า, ามมากครับพี่น้องพวกเราบอกอามาณนะ์พวกเราทุกคนก่อนต้องมีการเตือนกันนะต้องมีการเตือนสติกันนะต้องมีการพูดให้ได้คิดกันนะในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราได้แค่ไหนความสามารถของเรามีแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าขอบเขตความสามารถของเราได้แค่เตือนเชื่อไม่เชื่อ เป็นหน้าที่ของผู้ลัทธิมาตาและเป็นสิ่งที่เขาต้องเลือกเองละความเครียดของเราจะน้อยลงเพราะมีพ่อแม่เป็นจํานวนไม่น้อยครับบางทีก็มาปรับทุกบางทีก็บอกเนี่ยอาจารย์ฉันพยายามเตือนมาแล้วฉันพยายามพูดแล้วมันไม่ฟังมันไม่เชื่อมันฉันจะทํำยังไงกับมันดีอายะกษ์กว่าเอาล้าตอบแล้วไงปฏิญาเกตหน้าที่ของเราห้ามหยุดเตือนแต่ถ้ว่าในขณะเดียวกันอินนามาอันตมะมุนญาเกตเราเป็นไปได้เพียงแค่ผู้เตือนนะ เพราะคนแต่ละคนต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเองหน้าที่หลักของเรารับผิดชอบตัวเราจะเป็นคนที่เรารักเขามากแค่ไหนก็ตามเขาก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาเองเฟอร์เจเกินมาอันต์ตามูเเกตละสตาอเลหิมบีมุสเซติตจะไม่ได้มีอำนาจใดเหนือพวกเขาเลยคือท่านนบีมสุสลิมอะครับต่อให้อยากให้คนเขารับอิสลามมากแค่ไหนก็ตามนาบีบังคับใครไม่ได้และสตาอเลหิมบีมุสเซติต จะไปวางแผนจะไปวางบางคนบอกนะถ้าทําอย่างนี้ทำอย่าง น, างนี้ต้องวางระบบนะคนนี้เข้ารับอิสลามแน่นอนไม่มีใครพูดได้เราทําได้แค่วางระบบให้ดีที่สุดน่าจะเป็นแบบนี้ทำอย่างนั้นทำํำนี้ทงนี้นี่คือส่วนของเราแนละ้วแต่รับไม่รับมันอยู่ที่เขาบางทีระบบที่เราวางมาดีเยี่ยมมากๆอาจจะไม่มีใครเข้ารับอิสลามเลยอาจจะไม่มีใครเชื่อเลยแต่บางทีเราอาจจะเผลอพูดอะไรหรือมันอาจจะเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เขาฉุกคิดได้และให้เขาเปิดใจให้กับอลคะรั เพราะฉะนั้นอินนากาลาตัดีมันอาบัปต์เจ้าไม่สามารถนำทางคนที่เจ้ารักได้แต่อัลลอฮฺจะนำทางผู้ที่ปรงสงประสงค์นี่คือสัจธรรมที่ผู้ศรัทธาเราต้องมีวัคซีนให้กับตัวเองเราจะได้ไม่เศร้าเกินไปเหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมช่วงแรกครับท่านเครียดมากเลย อ, อันนี้เป็นสิน่งถูกต้องทํำไมพวกคุณไม่เชื่อกันนนะรกมีจริงนะทํำไมไม่กล่าวว่าอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวทําไมคุณทําให้พวดละโกรธทาไมคุณถึง ไม่กะว่าล้อเพียงองค์เดียวท่านนบีเครียดมากๆในไอสุรักกาฟีเพราะลาบอกไงครับเครียดจนเหมือนกับเจ้าฝากกาญนากาบาิือนับสก่าละอาจารยฮิมอิลลัมยุมุบิฮะตุลฮ ادي ซอาสซาฟาด้วยความเศร้าโศกเสียใจของเจ้าเนี่ยเจ้าแทบจะทําให้ตัวเจ้าเองตายเลยนะคือแทบจะเครียดจนเจียนข้างเจียนเสียชีวิตอะครับคิดดูว่าท่านนบีเครียดแทนบรรดาชาวกุฟาผู้ไปเสียสัทธาแค่ไหน คือมีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นห่วงเขาอยากให้เขายอมรับบางคนก็เป็นญาติบางคนก็เป็นเพื่อนบางคนก็เป็นคนรู้จักบางคนท่านก็ไม่รู้จักแต่ท่านนาบีนะ่ะแคร์ทุกคนแคร์มากๆเลยโดยเฉพาะพวกเราอุมมมะของท่านท่านนาบียิ่งแคร์มากขึ้นไปอีกเลยท่านนาบียิ่งแคร์มากไปอีกเหมือนกับที่ว่ามีครั้งหนึ่งครับที่ท่า น, นาบีมสอมาอย่างไอชะห นบีก็ขอดวัวให้กับที่หญิงไออิช่ที่ไออิช่ า, าชมีความสุขมากมากเลยนบีขอดวัวให้กับนางนางมีความสุขท่านลบีถามว่าเธอมีความสุขใช่ไหมที่ฉันขอดวัวให้เนี่ยเธอมีความสุขขนาดนี้ได้เหรอนี่เป็นดวัวที่ฉันขอให้อุมม่าของฉันเป็นประจําอยู่แล้วสุภาโนะวะความรักของท่านลบีนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนเกินจินตนาการแต่ในขณะเดียวกันพวกเลาบอกไงครับลาสตาเลหิมบีมุสอิตอร เจ้าไม่ได้มีอำนาจใดเหนือพวกเขาเจ้าไม่ได้บังคับอะไรใครได้เจ้าก็ต้องรู้ขอบเขตความสามารถของเจ้าเองนึกอเไรด้วกันครับพราะเราบอกว่าไงครับอิลลมันตะวัลละวกกะฟัอิลลมันตะวัลละวกกะฟัแปลว่าอะไรครับนอกจากว่านอกจากว่าคือพอเราบอกแล้วว่าท่านอบีนะุละไม่สามารถไปบังคับใครได้ แต่นอกจากว่ามันต่ว่าละวกระฟัดใครก็ตามที่เขาเลือกหันหลังแล้วก็ไปเสดสัทธาเนี่ยพออยูอัลญิบุฮุลลอฮุลอาเดะบลอัคบาร์ผู้รอจะลงโทษเขาด้วยการลงโทษที่หนักหนาสาหัสที่สุดแนวฮุลุบิลัยมินดาลิขอผู้ลอดคุ้มครองพวกเราผู้รอดผู้สร้าง ผู้มีความสามารถเหนือทุกสภาวสิ่งผู้สามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกต้องการพวกเราบอกพวกเราเตรียมการลงโทษที่หนักที่สุดไว้ให้กับผู้ที่สัตยธรรมมาถึงแล้วเขายัางเลือกปฏิเสธขอพวกเราคุ้มครองพวกเราทุกคนขอพวกเราคุ้มคองพวกเราทุกคนพวเรากล่าวต่อว่าไงครับอิในะอีเลนาอียาบหุมแน่นอนเมื่อถึงเวลาพวกเขาต้องกลับมาหาเราต้องกลับมาแล้วแน่นอน ตอนเนมีความสุขตอนนี้มีความทุกข์ตอนนี้ยังไงไม่รู้แหละในดุนยาทำไปในสิ่งที่เจ้าคิดวันถูกแน่นอนพวกเขาต้องกลับมาหาเราสุมาอินอะไรนะฮิซาบอมสุมาอินนะไอไนะฮิซาบอมแล้วแน่นอนถึงจุดนั้นเราจะตัดสินพวกเขาเอง เป็นการปิดท้ายสุรร์ด้วยกับคําที่น่าสะเพรื่งกลัวซุมมาอินอาเลานาฮิสาผมผู้ไปศรีสตาเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่แคร์หรอกครับประโยคเนี่ยแต่สำหรับมุสลิมที่ได้ยินเราจรู้สึกไงครับและแน่นอนเราจะตัดสินพวกเขาเองไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นที่เราจะสบายใจได้ครับที่เราพูดคุยกันตรงนี้ก็คือ ส่วนหนึ่งจากความหมายของซุลรออัลลอชียา ah, ซึ่งก็ขอเวลาจากพวกลอสุบฮานุอัตตาให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้รับประโยชน์ได้รับสาระจากคําพูดอันสูงสูงของพวกลอสุบฮานุอัตตาลาขอให้เรานั้นอย่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่หันหลังให้กับคําพูดของพระอวกหันหลังให้กับศาสนาของพระงค์ขอให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิมผู้ที่ยอมจมํานวนต่อพวกแล้วก็ขอให้เรานั้นเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่สัตย์ท้ต่อพวก ด้วยเถอดอามนครับผมพูดในสิ่งที่พี่น้องแต่ท่านได้ยินไปแล้วสิ่งใดที่ถูกก็ทำเลิละขอบคุณพวกลอสมาตราสิ่งใดที่เป็นเรื่องผิดพลาดไปก็หวังว่าพวกลั้นจะให้อภัยพวกเราให้อภัยผมให้อภัยพี่น้องแล้วก็เมตตาพวกเราทุกคนตลอดไปครับผมอาคุลกบิ i ะดะวาสซาฟุลลอฮ์ฮะลิเบลักุมวาลิสัย่ักะกัุาตักอะไครับจนกว่าจะเจอกันในครั้งต่อ น่าจะเป็นเหตุนัครับสำหรับอิมามุทุลล่วบรก